แก้วไม่ได้มาอ่านี่มากับเพื่อนจากกรุงเทพเพราะเดี๋ยววันนี้จะไปงานสศพที่กรุงเทพเลยนี่ที่จตหิศจตหิศทางานอยู่ที่นี่เลยตอนนี้เรียนอยู่ด้วยกันครับอคนที่เสียนี่เขาประจําการอยู่ที่จตหิศเลยอ่าก่อนที่เรียนก่อนที่เรียนอยู่ที่ตหิอ่าก็เลยสอามาไว้ที่นี่นะบ้านทีบ้านที่นี่อ่าก็ เป็นเรื่องปกตินะเรื่องของร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้เราอเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวเราสั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเหมือนเรือเราใช้เรือทําอะไรต่างๆเดี๋ยวเรือเสียเราก็เปลี่ยนเรือใหม่เดี๋ยวทําบุญไว้ เดี๋ยวเราก็จะได้เป็นได้เรือใหม่ที่ดีกว่าลาเก่านี่ทําบุญไปเผื่อเขาไม่มีบุญติดตัวไปเขาก็จะได้อาศัยบุญที่เราส่งไปให้เป็นอเป็นบุญหล่อเลี้ยงจิตใจเขาให้เดินทางไปสู่พบใหม่ชาติใหม่ที่ดีกว่าต่อไปอทําถูกแล้วคนอยู่ก็ต้องส่งบุญไาให้คนที่เสีย เผื่อไว้ถ้าเผื่อถ้าก็มีแล้วก็ไม่เป็นไรบุญวนหนึ่งก็เป็นของเราพระพุทธเจ้าเห็นความสำคัญของบุญทั้งสำหรับขณะที่เรามีชีวิตยอยู่และขณะที่เราตายไปแล้วเราเอายศตำแหน่งต่างๆไปกับเราไม่ได้เป็นในในพลเป็นอะไรก็ตายไปเขาก็ไม่ให้เขาก็ขอคืนขอไปให้คนอื่น เอาติดตัวไปกับเราไม่ได้สิ่งที่เราไปได้คือบุญพ mm hmm. ระพุทธเจ้าถึงสอนให้เน้นเรื่องการทำบุญ mm hmm. บุญในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สิบชนิดด้วยกัน mm hmm. บุญชนิดแรกก็คือทาน mm hmm. ที่เราอุทิศเนี่ยที่เราเอาเข้าวของมาถวายพระเรียกว่าทานทานแปลว่าการให้ mm hmm. ให้แล้ว ก, mm hmm. ก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา เราช่วยดูน้ำหน่อยไช้ไหมมันถ้ามันไหลทิ้งเช่วยไปปิดหน่อยนะสายยางมันไหลทิ้งป่ะเอาเอาใส่ถังดูเสียหรือไงหรือว่า ไ, าไม่มันมันคงจะต่อมาจากข้างข้างยางเลยดีกว่าไปปิดดีกว่าอย่างเง้ยอย่าไปใส่เลยเดี๋ยวนะ่ะเอาไปอไปปยดดีกล่า ทำไมก็ลืมปิดน้ำขงังวนหายากขงังวนนี่เราอาศัยน้ำฝนที่สูงมันเจาะลงไปมันไม่มีน้ำก็ต้องใช้ลองน้ำฝนหรือไม่ก็บรรทุกน้ำขึ้นมาใส่ถังไว้ก็เลยต้องประหยัดต้องระมัดระวังเรื่องน้ำน้ำไม่มีคุณค่ามากสำหรับที่กันดาน ลำรับที่มีน้ำมากเขาก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของน้ำใช้กันได้อย่างพุ่มเฟืยคนงานนี่เขาไม่เคยอยู่บนเขาเขาอาจจะเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วก็กลับบ้านไปเทีดยดน้ำบุญก็เหมือนน้ำน้ำมีความจำเป็นต่อร่างกาย บุญก็มีความจําเป็นก็ต่อจิตใจร่างกายขาดน้ําก็ร่างกายก็เดือดร้อนใจขาดบุญใจก็เดือดร้อนเราจึงต้องมาสร้างบุญกันทําทานกันบุญชนิดแรกเรียกว่าทานชนิดที่สองเรียกว่าศีลไม่ไปเบียดเบียนกันไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอ๋อ มันจะกลับมาหาเรานั่นเองทำให้เขาเดือดร้อนเขาก็ต้องกลับมาทำให้เราเดือดร้อนเราก็อยากไปทำดีกว่าเวนย่ยอมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนเวนไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนงั้นอย่าสร้างเวณอย่าทำบาปการทาบาปเป็นการสร้างเวนเราไปฆ่าเขาเขาก็เขาก็ต้องกลับมาฆ่าเรา เราไปรักทรัพย์ของเขาเขาก็มารักษัพของเรา น, นี่ข้อที่สามข้อที่สองให้รักษาศีลข้อที่สามให้ภาวนามุนที่เกิดจากการภาวนาก็คือการควบคุมจิตใจให้สงบระงับจากความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆพอเวลาใจเกิดความโลภโกรธหลงเกิดความอยากเ้าใจจะเต้นใจจะตื่นเต้นใจจะร้อน ใจจะไม่มีความสุขถ้าระงับดับความโลภโกรธกลงแล้วระงับดับความอยากได้ใจก็เย็นสบายมีความสุขความสุขเกิดจากความสงบความสุขไม่ได้เกิดจากการได้ทำตามความอยากได้ตามความอยากก็สุขเดียวเดียวเช่นวันนี้ได้เดินยศเดิ น, เนขั้นเดี๋ยวอีกสองวันก็อยากจะ เดินยดเดินขั้นใหม่ความสุขที่ได้จากเดินยดเดินขั้นก็หายไปมีแต่ความทุกข์ความหิวโหยรอการเลื่อนขั้นขั้นต่อไปเราอย่าไปอยากขึ้นให้มันขึ้นมาเองของมันโดยธรรมชาติเหมือนปลูกต้นไม้เราอย่าไปอยากให้มันโตเราลดน้ำไปเรื่อยๆลดน้ำพรวนดินไปเรื่อยๆเหมือนมันก็เติบโตของมันเอง เราทำงานเราก็ทำหน้าที่ของเราไม่ให้บกพร่องทำไม่ดีเดี๋ยวยศอะไรมันก็ขึ้นมาเองมันก็ตามมาเองอย่าไปนั่งอยากอยากแล้วมันนำลอยไห ล, ยหลยอยากแล้วมันทรมานใจอย่าอยากคำว่าไม่อยากได้ยศก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ยศถ้ามีเหตุทำให้มันได้ยศมันก็ได้ยศเองความอยากมันไม่ได้เป็นตัวเหตุหรอก ตัวเหตุก็คือการกระทําความดีทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ไม่บกพร่องเดี๋ยวถึงเวลายศมันก็มาเองชั้นต่างๆขั้นต่างๆมันก็ขึ้นไปเองขึ้นแบบนี้แล้วมันสบายใจไม่ได้ขึ้นด้วยความอยากขึ้นไปตามวาระของมันตามเหตุของมันมีเหตุแล้วเดี๋ยวมันผลมันก็เกิดขึ้นเอง เรามากมกับควบคุมใจระงับความอยากต่างๆเพราะเวลาอยากแล้วใจเราไม่สงบใจเราวุ่นวายใจไม่มีความสุขถ้าไม่อยากแล้วใจสบายตอนนี้เราก็ไม่มีความอยากชั่วคราวตอนนี้ใจเราก็สบายเย็นแทนที่อยากจะได้อะไรกลับอยากจะให้อยากจะให้คนอื่นเขาได้บ้างเยมาทําบุญให้ ให้เพื่อนที่ร่วงรับไปแล้วได้บุญมากอันนี้ไม่ได้เป็นความอยากที่ทำให้เราวุ่นวายเป็นความอยากที่ดีความอยากที่ดีนี้ไม่เป็นไรทำได้แต่ความอยากที่ทำให้จิตใจเราฟุงา้งซ่านจิตใจเราวุ่นวายนี้ไม่ดีเราข้อต่อมาก็ให้เราอุทิศบุญ เวลาเราทำบุญเราเหมือนกับเรามีเงินก็อย่าเก็บเงินไว้ใช้คนเดียวให้เอาไปแจกคนอื่นด้วยให้ไปแบ่งให้ขอทานขอทานที่เ็ายากลำบากผูท้ที่ลงรับไปแล้วบางคนก็ไปแบบเศรษฐีบางคนก็ไปแบบขอทานขึ้นอยู่กับขณะที่มีชีวิตอยู่ว่าได้ทำบุญหรือไม่ได้ทำบุญถ้าได้ทำบุญก็ไปแบบเศรษฐี ก็ไม่ต้องไปอุทิศบุญให้กับเขาแต่ถ้าไปแบบไม่มิไม่มีบุญติดตัวไปก็ไปแบบขอทานก็ถ้าสงสารเขารักเขาเป็นห่วงเป็นใ ย, ยเขาก็ทําบุญอุทิศไปให้กับเขาบุญที่เกิดจากการทําบุญนี่แล้วอุทิศได้อุทิศแล้วก็ทําให้เราได้บุญขึ้นอีกทําให้เรามีความสุขใจได้สองสองต่อ ได้ความสุขใจจากการเสียสละเข่าของเงินทองแล้วพอได้บุญแล้วก็อุทิศบุญนี่ก็ได้ได้บุญกลับมาอีกได้ความสุขใจเพิ่มขึ้นอีกได้ความสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือผู้ที่ร่วงลับไปแล้วให้เขามีความสุขบุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญ เป็นวันนี้อาจจะเพื่อนคนหนึ่งอยากจะทำบุญแล้วคนอื่นได้ยินก็ร่วมด้วยขอร่วมอนุโมทนาร่วมทำด้วยอันนี้ก็ได้บุญร่วมทำบุญกันร่วมอนุโมทนาแสดงความยินดีกับการทำบุญของผู้อื่นถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้ทำก็ได้บุญได้ความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ดีก็เป็นบุญมีความสุขใจ แล้วก็ให้ทําบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นถ้าเราไม่มีเงินทองหรือไม่มีอะไรจะให้แต่เรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เราก็ใช้การช่วยเหลือผู้อื่นนี้เป็นการสร้างบุญขึ้นมาได้เหมือนกันใครเดืดใครทํางานเราขาดเรี่ยวขาดแรงเราก็ไปช่วยเหลือกัน ทำงานบางทีทำคนเดียวไม่ไหวถ้ามีเพื่อนฝูงมาช่วยกันมันก็ทำให้งานไปได้อย่า ง, อ ย, างอย่างเรียบร้อยอย่างง่ายดายอันนี้ก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือกันรับใช้กันบุญข้อก็เกิดบุญที่เกิดจากการมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน พยายามทำตัวเราให้เป็นผู้น้อยผู้น้อยนี่จะเป็นที่เอ็นดูของผู้อื่นถ้าทำตัวเราเป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่มีใครเขาเอ็นดูเอ็นดูมีข่ามาขาวลวารู้จักที่ต่ำที่สูงผู้ที่สูงกว่าเราก็ให้ความขาวลว่าให้ความขคาวลบอันนี้ก็เป็นบุญทำให้ใจเรามีความสุข แล้วกบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็เป็นบุญฟังแล้วเกิดปัญญาเกิดความรู้รู้จักวิธีทำใจให้สงบทำใจให้เป็นบุญขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าบุญการฟังธรรมนี้จะได้อันนี้สงห้าประการหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอฟัง สามี ก, ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับสามจะทําให้ขจัดความสงสัยต่างๆไปได้สงสัยในเรื่องบุญต่างๆถ้าฟังธรรมแล้วจะเข้าใจว่าบุญนี้มีคนมีประโยชน์กับเราอย่างไรเราจะได้รู้ว่าเรื่องที่เราไม่รู้ก็คือเรื่องใจเราจะได้รู้ว่าใจนี่แหละคือตัวเรา แต่ร่างกายนี่แหละไม่ใช่ตัวเราแต่ใจเราไม่มีรูปร่างเราใจก็เลยใช้ร่างกายเป็นตัวแทนเราก็ไปหลงคิดว่าตัวแทนของร่างกายเป็นตัวเราแต่ความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราถ้าเรารู้มันไม่เป็นตัวเราเวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราไม่ได้เป็นอะไร เหมือนกับเราขับรถยนต์นี้เรารู้ว่ารถยนต์กับเราไม่ใช่เป็นคนเดียวกันส่วนเดียวกันรถยนต์เป็นอะไรเราก็ไม่เราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์แต่ตอนนี้เราถ้าไม่ได้ฟังธรรมเราจะไม่รู้เราจะคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเดือดร้อนขึ้นมาเช่นเวลาเพื่อนตายไปเราก็คิดว่าเขาตาย แตคามจริงตัวเขาไม่ได้ตายตัวเพื่อนนี่ไม่ได้ตายตัวที่ตายเป็นเป็นเพียงผู้รับใช้เขาเป็นเหมือนทศทศที่รับใช้เจ้านายตัวเจ้านายไม่มีรูปร่างไม่มีร่างกายก็เลยต้องใช้ร่างกายนี้มาเป็นเป็นลูกน้องมาเป็นผู้รับใช้เวลาร่างกายตายไปนี้ผู้รับใช้ตายไปแต่ผู้สั่ง เจ้านายไม่ได้ตายเจ้านายไม่มีวันตายเพราะเจ้านายไม่มีรูปร่างไม่มีส่วนประกอบไม่มีอะไรที่ประกอบขึ้นมามันก็เลยไม่มีวันบุกสลายแต่ร่างกายนี้มีเป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟธาตุสี่เดี๋ยวมันก็ต้องแยกแยกทางกันธาตุสี่พอแยกทางกันร่างกายก็จะล่มสลายหายไปเรียกว่าตายไป ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้เรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็จะทําให้เราท่กับร่างกายต่อไปนหรือว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรือว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ห้ามมันก็จะทุกข์ไปเปล่าๆอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทุกข์ ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้ว ร, รู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ปล่อยมันไปปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับมันพอเรารู้เราก็จะหายสงสัยเรื่องเวียนว่างตายเกิดนว่าเวลาร่างกายตายไปแล้วใครไปเกิดใครไปรับผลบุญผลบาป ก, ก็คือใจนี่แหละที่ไปรับผลบุญผลบาป ตอนที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี่ก็เป็นเทพก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นพรมก็ได้เป็นเบลอาชานก็ได้แล้วแต่บุญแต่บาปที่ทำไว้ไปรับผลบุญผลบาปแล้วพอบุญกับบาปหมดกำลังก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่นี่คือ เรื่องของการฟังเทศฟังธรรมจะได้ยินเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราได้ยินได้ฟังแล้วก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจดีขึ้นรู้จักตัวเรามากขึ้นรู้จักว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรมันก็ไม่ใช่เมันไม่ได้เป็นที่เราเรายังเหมือนเดิมอยู่เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตามร่างกายไป เราก็จะไม่ต้องทุกกับร่างกายแล้วเราก็รู้คุณค่าของบุญรู้โทษของบาปเราก็จะเลี่ยงการกระทําบาปจะทําแต่บุญพอตายไปแล้วก็เป็นเศรษฐีบุญเศรษฐีบุญก็ไปเป็นเทวดาถ้าขอทานบุญก็ไปเป็นเปรตเปรตคือพวกมาขอทานบุญอันนี้ อันนี้สองของการสังเทศฟังธรรมจะทำให้ไม่ไม่สงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีจริงหรือไม่แล้วก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีจริงหรือไม่แล้วไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรเพราะ ทำมาจะสอนให้เราตัดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการไปรงังหารสาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเหตุ <S <S ที่ทําให้เรามาเกิดก็คือความอยากอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราตัดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสไปเราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิด ไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเวลาตายเป็นไงขนาดคนอื่นตายเรายังทุกข์เลยเรายังเศร้าโศกเสียใจแล้วถ้าเราตายเราจะรู้สึก ย, ยังไงยิ่งทุกข์มากอย่างแต่ถ้าเราตัดความอยากได้ลูกเสียงจิตลนแล้วเราก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกายเราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ การฟังธรรมก็จะทำให้เราเกิดสมาทิฏฐิเกิดความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงบุญที่เป็นเหตุของสวรรค์ก็มีจริงบาปที่เป็นเหตุของนรกก็มีจริงเหตุที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงเหตุที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงเหตุที่จะหยุดความอยากได้ก็คือการภาวนานี่เอง การทำใจให้สงบระงับความคิดปุงแต่งระงับความอยากต่างๆด้วยสติด้วยด้วยปัญญาพอมีสติมีปัญญาก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมีการมาเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของบุญของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าสอนให้พวกเราหมั่นทำกันอยู่เรื่อยๆ ว่ามันเป็นเหมือนทรัพย์สมบัติเข้าของของเราจริงๆเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริทรัพย์เป็นอริยทรัพ ย, ย, พย์ตายไปแล้วจะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าตามกำลังของทรัพย์อริยทรัพย์ตามกาลังของบุญที่เราได้สะสมไว้ถ้าได้สะสมมากก็จะได้ไปสูงตามลำดับ เหมือนกับเวลาที่เราออกเดินทางเวลาเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศนี้เราจะไปภาคที่ไหนก็อยู่ที่กำลังเงินของเราว่าเรามีกำลังมากี่จะอยู่โรงแรมระดับไหนถ้ามีเงินมากก็อยู่ระดับห้าดาวได้ถ้ามีเงินไม่มากก็ต้องเอาดาวเดียวก่อนเพราะไ ม, ม่ไม่งั้นไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมค่าอาหารถ้าเราทำบุญมากเราก็ไประดับห้าดาวไ ป, ไปถึงพระนิพพานเลย ถ้าทำบุญน้อยก็ไปแค่ดาวเดียวก่อนพยายามทำบุญมากๆรักษาศีลมากๆภาวนามากๆแล้วต่อไปใจก็จะมีะรับระดับห้าดาวไปเกิดไปสู่พันธิพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ยังจะขออนุโมทนาในกุศลบุญที่ท่านได้มาทํากันในวันนี้จาอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวาเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปัิตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจโตสัพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพารโควินาศตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภะอาภีวาธนสีลิตะนิจังวุฒาปจายโน จตารูธร ม, มาวันทานติอายุวนโนสุขังภาลังอยู่ปะกะติอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่สัตหีนูอยู่กรุงเทพเพื่อนๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพหรืยอยสัตหี<ม> อย่ส่วนใหญงเงองเดี๋ยวก็รอไปงานสวดคืนนี้นะส่วนเสร็จแล้วค่อยกลับก็มาส่งบุญส่งกุศลไปให้เพื่อนอมีอะไรอยากจะถามไหม เรียนเรียนเรียนอะไรเพื่อนเรียนอะไรเรียนเซหลักสูตรเรียกว่าวิทยายการทัพเรืออ๋อวิทยายกานทัพเรือหรับสบทำแบบข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เลยการเรียนสําคัญเรียนแล้วจะได้ความรู้การฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการเรียนอย่างเรียนวิชาพุทธศาสนาก็จะได้รู้วิชาเกี่ยวกับเรื่องจิตใจ เรื่องของตัวเราที่เราไม่ค่อยรู้กันว่าเราเป็นใครกันน่ะถ้าเราไม่เรียนเราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายตายไปเราก็คิดว่าเราจบเราสูญเราตายไปกับร่างกายแต่พอมาเรียนแล้วเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเรานี่แหละที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไป ถ้าเรานาไปปฏิบัติเราจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลานั่งสมาธิใจสงบใจจะแยกออกจากร่างกายเหมือนกับน้าในขวดน้ำเนี่ยเวลามันอยู่ในขวดเดียวกันเราก็คิดว่ามันเป็นอันเดียวกันแต่พอเราเทน้าใส่แก้วเราถึงจะรู้ว่า อ, อ๋อน้ามันเป็นอย่างหนึ่งขวดเป็นอย่างหนึ่งเวลานั่งสมาธิเราก็จะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนขุนแล้วใจนี้เป็น เ, นเป็นผู้รู้ผู้คิด จะแยกออกจากกันก็จะไม่สงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้ความสงสัยไม่ไม่สงสัยในเรื่องเวียนว่ายตเกิดนะเอะแต่ว่าในบางช่วงเนี่ยถ้าห่างออกมาจากการที่ไปวัดออใจเราก็เริ่มที่จะหลุดออกไปเริ่ม อ, อยากจะคิดไปถึงอยากมียศสูงขึ้นเอมันจะหลุดแต่ว่าก็ยังเตือนสติได้อยู่ตลอดออก็พยายามดึงกลับมา มพยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆสมัยนี้มีเทศมีหนังสือให้ฟังได้ทุกวันถ้าฟังแล้วมันก็จะมีอะไรคอยเตือนใจถ้าไม่ฟังเดียวมันก็ไปถูกเหตุการณ์ต่างๆดูดไปเดี๋ยวถูกราบยศสรรเสริญดูดไปเห็นคนที่เขามีราบยศสารเสริญแล้วเขารู้สึกว่าเขามีศักดิ์มีสีเราก็เลยอยากจะมีศักดิ์มีสีไปกับเขา แต่เราไม่รู้ว่าใจของเขานี่ร้อนขนาดไหนย่งมีศักดิ์มีสีมากยิ่งร้อนมากมีภาระมากมีความรับผิดชอบมากขึ้นสมัยที่เราเป็นผู้น้อยกับสมัยที่เราเป็นผู้ใหญ่นี่ทางด้านจิตใจใครสบายกว่ากันผู้น้อยก็อคอยรับคำสั่งอย่างเดียวไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรมากพอเป็นผู้ใหญ่มันมีเรื่องต้องรับผิดชอบเยอะแยะไปหมดใจก็ร้อน ใจก็วุ่นวายมากกว่าตอนที่เป็นผู้น้อยแต่ความหลงมันไม่ให้เราเห็นตัวนี้มันให้เราเห็นสักสีเป็นตัวสําคัญกว่าไปไหนแล้วคนเขาให้ความเคารพ ก, กับเราเนี่ยมันเลยทำให้เราอยากจะได้สักได้สีไ ด, ได้ราบได้ยศแต่ได้มาแล้วมันร้อนมันทุกข์กว่าแล้วมันต้องมีวันหมดด้วยยิ่งขึ้นไปสูงเวลาตกลงมามันก็เจ็บมาก ถ้าอยู่ต่างๆตกลงมามันก็ไม่ค่อยเจ็บถ้าอยู่ชั้นหนึ่งนี่ตกลงมามันก็ไม่เจ็บถ้าไปอยู่ชั้นสิบนี่ยตกลงมาเนี่ยโอก็อโดกขักนะอ่าขึ้นกีนหนังเสือเดี๋ยวมันก็ต้องลงใช่ไหมทุกคนเนี่ยเดี๋ยวยูหกสิบเขาก็ชอเชิญละเชิญ ล, ลงล ะ, น ะ, นะหมดสภาพละใช้งานไม่ได้ละ ต้องคิดถึงความเสื่อมบ้างโลกธรรมนี้มีทั้งส่วนที่เจริญและส่วนที่ด้านเสื่อมก็มีเจริญรากก็มีเสื่อมรากเจริญยศก็มีเสื่อมยศเดี๋ยวยี่หกสิบเงินเดือนที่ได้ก็หมดไปได้แต่เงินกเกษียณเงินบำนาญไปยศก็หมดไปการรักษเงินก็หมดไปวามสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกาก็น้อยลงไป ฉันต้องคิดถึงวันที่มันจะลงบ้างวิธีที่จะลงจากนังเสืออย่างมีความสุขก็คือต้องรู้จักปล่อยวางต้องรู้ไว้ล่วงหน้าว่ามันเป็นของชั่วคราวแล้วไม่ยึดไม่ติดอาจอยูแบบเรียบง่ายก่อนอย่าไปหลงกับลาบยึดมากเกินเกินไปต้องเตือนตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็หมดเหมือนความฝันตอนนี้เรากำลังฝัน เดี๋ยวว่าเราตื่นขึ้นมาหายไปหมดเเมื่อคืนนี้นอนฝันดีขนาดไหฝันว่าได้เป็นนายพลได้เป็นนายกพอตื่นขึ้นมามันก็หายไปหมดเนีล mm hmm. าบยศสารเสร็จมันก็เหมือนกับความฝันเนี่ ย, ยพออายุหกสิบปั๊บมันก็ตื่นขึ้นมาใหม่เป็นบุคคลธรรมดาไปเป็นข้าราชกา ร, กรเกษียณไปอั mm hmm. น, นนี้คือธรรมะที่จะทําให้เราตกหลังเสืออย่างสบาย ไม่ถูกเสือกับแต่ถ้าไม่เคยคิดถึงวันที่มันจะหมดนี่พอมันถึงวันนั้นมันทำใจไม่ค่อยได้อย่างเช้านี้ก็ไปใสมีผู้หญิงใส่บาตรเขาก็เพงเสียสามีไปสามีอายุสี่สิบกว่าห้าสิบเป็นมะเร็งก็ถามว่าเป็นไงโอ้ยังทำใจไม่ได้เผาไปแล้วตายไปแล้วเผาไปได้อาทิตย์ึปแล้วแต่ใจมันยังทำไม่ได้เพราะไม่เคยเตรียมตัวทาใจมาก่อน ไมเคยเตรียมตัวทำใจกับการที่ไม่มีเขาแล้วอยู่กับไม่มีเขาต่อไปเราก็จะไม่มียศละต่อไปเราจะไม่มีตำแหน่งไม่มีลูกน้องนะเราจะอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลาก็สบายเหมือนนักมวยถ้าซ้อมไว้ก่อนพอเวลาขึ้นเวทีก็ไม่ถูกเขาน็อก ทำไปซ้มอมไหมก็ขึ้นเวทีเดี๋ยวก็โดนพ่นออกตอนนี้ก็พยายามซ้อมอยู่ตลอดคนระับภรรยาครั้งที่แล้วมากราบเตียนหลวงพ่อว่าจะลาออกในไม่เกินสี่หน้าจนต้นสีหน้าคงจะลาออกตอนนี้เลยฝากมากาบหลวงพ่อเพราะว่ายังอยู่ที่คูเวตนะ เ, เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปวัดตาคําน้อยด้วยกันนะอกินลงมาพรุก็ไปเลยนะเ อ, อก็อย่างน้อยรู้รู้เ่องหน้าว่ามันจะต้องหมดเนะี่ยก็มือนก็ มันก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วงั้นขั้นที่สองก็คือการเตรียมจูเตรียมใจฝึกใจให้รับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตอนนี้เราได้ได้ได้ความรู้แล้วว่ามันจะต้องเกิดนั้นมันก็ได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วือได้ความรู้แล้วรู้ศัตรูนี้มันก็เหมือนก็ชนะสึกไปครึ่งหนึ่งแล้วได้ไหมแต่เราไม่รู้ศัตรูนี้เราก็ไม่รู้จะไปสู้กับใครนยตอนนี้เรารู้ว่าศัตรูของเราก็คือความเสื่อม การเสื่อมราบยศสารเสริญมแล้วก็เตรียมรับกับมันนี้เราก็มาหัดเตรียมใจหัดอยู่ซ้อมอยู่แบบไม่มียศบ้างซ้อมอยู่แบบไม่มีราบบ้างชเช่นมาอยู่วัดถือศีลแปดอย่างเนี้ยหัดอยู่วัดแบบนี้เขาเรียกว่าหัดอยู่แบบไม่มีราบยศสารเสริญสุขถ้าเราอยู่ได้ต่อไปเราก็ไม่เดือดร้อนถึงเวลาที่กเกษียณก็สบายดีใจสิจะได้มีเวลามา ปฏิบัติธรรมมาสร้างเอาทรัพย์ภายในดีกว่าเอายศภายในดีกว่าเอาโสดาบันเอาสกิดาคามีอาณาคามีอรหันต์ดีกว่าพวกนี้เอาแล้วไม่มีใครปวดเราได้ได้เป็นแล้วเป็นอย่างเท้าวรไปเลยไม่มีวันเกษียณอายุเอาทรัพย์ภายในก็คือบุญความสุขใจอิ่มใจเนี่ยคือทรัพย์ภายในยศก็คือทํา ที่บรรลุขั้นต่างๆขั้นโสดาขั้นสกิดาข้าอนาคาอาหารหันเนี่ยอันนี้เป็นของแท้ของจริงเป็นของเราอย่างแน่นอนอย่างเท้าวอนไม่มีใครจะมาปลดมาเอาจากเราไปได้จะไปอยู่กับอาจารย์อินทวายเหรอครับทุกว่าจะไปจองตัวไว้ไปสักสามวันอ๋อ เคยไปมาแล้วไปหลายรอบแล้วครับเคยบวชจที่นั่นไหมก็ไม่ไม่เคยบวชนะครับปกติก็จะขับรถไปอยู่บ่อยๆไปรู้จักกับท่านก็ตั้งแต่งานหลวงปู่จามออแล้วก็ที่สวนแผนธรรมอ่าไม่ไม่กี่วันแู้รก็มีถวายท้องคำใช่ไหมก็ผมก็ไปมาด้วยไปมาวัานที่ยี่สิบเอวันศุกร์ที่ถัออไดไไปสิออบกิโลอตกเป็นเงินเท่าไหร่สิกิโล ตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าโลลาน่าจะอยู่เราๆห้าแสนนะครับห้าแสนนะก็ห้าล้านนะไม่เหมือนสมัยหลวงตาเนอะได้ที่เป็นตันนะ <c oughs> บารมีของหลวงตาเยอะ <c oughs> นั่นแหละคือทรย์ภายในสามารถผลิตทรัพย์ภายนอกได้คนที่มีทรย์ภายในสามารถดูดทรัพย์ภายนอกได้ คนนีม้มันมีซับภายในก็ดูดไม่ได้ดูดมาไม่ได้ดูดมาได้ดดไดแค่สิบโดเะ่านัหลวงตาอาจจะได้เป็นตันแล้วเนี่ยนี่แหละประโยชน์ของทรัพย์ภายในถ้ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดไปเกิดพบไหนชาติไหนก็ไม่อดอยากขาดแคลนสามารถดูดทรัพย์ภายนอกมาได้เสมอความดีงามของคนเนี่ยเป็นเครื่องดูดดูดทรัพย์มา มันมีเี้นี่ใครๆก็ไว้ใจยิน ด, ดีที่จะร่วมบุญร่วมกุศลยิน ด, ดีที่จะลงทุนทํากิจกรรมอะไรด้วยกันถ้าไม่มีศี้นี่เขาไม่มีใครอยากจะร่วมลงทุนด้วยกลัวถูกโกงกลัวถูกหลอกถ้มถ้าไม่มีอะไรก็อยากจะกลับก็ไปได้นะเราก็อยู่กันสบายสบายวันนี้ไม่ค่อยมีคนก็เลยไม่ได้พูดอะไรมาก นองจากอยากจะถามอะไรต่อก็ถามได้มีอะไรหมอนอจากเ ร, ววเ ร, เ ร, เร่สติครับถ้าติไปัด า, าสติเนี่ยตงาต่อ เ, เ, เื่อ ง, ออองอตลอดไม่เผอเลยคอยควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วคิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้สามารถบังคับให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ให้อยู่กับพุทโธก็ได้ให้อยู่กับการพิจารณาร่างกายก็ได้มันก็จะไม่ไปทะเละทะลายเวลานั่งสมาธิก็สงบได้ห้านาทีก็เข้าสู่ความสงบได้พอใจจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับลมหายใจแป๊บเดียวมันก็เข้าไปแล้วมันต้องฝึก วิธีเยอะคือให้มีสติต้องไปอยู่ที่หวาดเสียวน่ากลัวแล้วมันจะไม่ค่อยปล่อยกล้าปล่อยใจให้ไปเพ่นพานเหมือนอยู่ในป่าเวลาเดินนี่เราจะไม่เราจะมีสติคอยดูทางที่เราเดินจะไม่เดินแบบเออเราเหยือลอยลงเออเราเหยือลอยลงก็แสดงว่าเดินแบบไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็เดินไปบางทีเดินไปแล้วก็ไปเตะ น, น, นู่นเตะนีน่สะดุดนู่นสะดุดนี่เพราะไม่ได้ดูทางที่เรากําลังเดินนีู่ แต่ถ้าเราเดินในป่าเรารู้ว่าข้างหน้ามันอาจจะมีงูมีสัตว์อะไรเราก็จะไม่เดินแบบเออละเหยอลอยหลงเราก็จะคอยดูเดินด้วยความระมัดระวังการระมัดระวังนี้ก็คือการการมีสตินะพระปฏิบัติจึงชอบไปอยู่ที่มันหวาดเสียวน่ากลัวหน่มันจะได้มีสติถ้าอยู่ในที่ปลอดภยนะัยแล้วมันจะประมาทนอนใจมันก็เลยไม่มีอะไรมา มันไม่มันไม่มีนะกระตุ้นให้ให้มีสติเพราะมันปลอดภัยถ้ามีสติแล้วว่านั่งสมาธิก็สงบง่ายแล้วพอมีสติมีสมาธิแล้วถ้าเอาปัญญามาฆ่ากิเลสก็ฆ่าได้เลยปัญญาจะเป็นเหมือนป็่ผู้ชี้เป้าสัสมาธิเป็นผู้ทุบเป้าสมาธินี้เปนผู้มีกำลังผู้ให้กำลังกับจิต ปัญญาเป็นผู้ชี้บอกว่าใครเป็นศัตรูของเราตอนนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราจะไม่รู้ศัตรูของเราคือกิเลสเราจะไปโทษคนนั้นคนนี้ที่มาขัดขวางเราว่าเป็นศัตรูของเราแต่บางทีก็ไม่ได้เป็นศัตรูของเราศัตรูของเราที่แท้จริงคือความอยากความโลภของเรานี่อยากได้นูน่นอยากได้นี่พอโดนคนนั้นเขาขัดขวางก็ไปถือเขาเป็นศัตรู อวาจริงศัตรูของเราที่แท้จริงคือความอยากถ้าเราไม่อยากได้อะไรสักอยาก่างใครจะมาขัดใจเราได้ใช่ไมไม่มีใครก็จะมาขัดใจเราได้สะัศัตรูที่แท้จริงนี้ต้องต้องมีปัญญาคอยบอกไม่งั้นเราจะไปฆ่าศัตรูที่ไม่ใช่เป็นศัตรู mm hmm. เวลาเราโกรธคนนั่นคนนี้เราต้องโกรธความอยากของเราเพราะความอยากเป็นตัวทำให้เราโกรธ เราอยากได้นู่ได้นี่พอดีคนนั้นเขาไม่ให้เราเราก็เลยไปโกรธเขาความจริงอยู่ที่ความความอยากของเราถ้าเราไม่อยากสักอย่างเราจะไปโกรธเขาได้ยังไงถ้าเราไม่อยากเขาไม่ให้เราเราก็ไม่โกรธเขาหรอก อ, อันนี้คือปัญญาส่วนสมาธิก็คืออุเบกขาการอยู่เฉยๆทาใจให้อยู่เฉยๆเวลาปัญญาบอกว่าอย่าไปโลกกับเรื่องอันนี้ ก็อยู่เฉยๆได้ไม่ไปโลภได้อย่าไปอยากได้ได้ยศอ่ะให้มันมาเองมันไม่มากระช่างมันแล้วเราจะไม่เดือดร้อนอเวลาที่ถึงเวลาเลื่อนขั้นเลื่อนยศเราก็ไม่ต้องมานอนกระสับกระส่ายกันว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะเรามีอุเบกขาใจเฉยๆได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ดีได้ก็ดีใจมีสมาธิแล้วมันมีความสุขในตัวแล้วมันมีทรัพย์ภายในแล้ว มันมีความสุขมากกว่าที่ได้จากราบจากยศละมันก็เลยไม่เดือดร้อนได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเนี่ยต้องมีสองอย่างถึงจะฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาได้ต้องมีสมาธิจิตต้องรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจะได้อุเบกขาแล้วเอาอุเบกขานี้มาหยุดความโลภเวลาปัญญาบอกอย่าไปโลภอย่าไปอยากอย่างเราทําให้เราทุกข์ ไม่ใช่คนที่เขาขัดขวางเราหรอกที่ทําให้เราทุกข์ความอยากได้ต่างหากที่ทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากได้แล้วใครจะมาขัดขวางเราได้เมื่อเราไม่ต้องการอะไรจากใครใครจะมาขัดขวางเราดังั้นเราฆ่าความอยากขึ้นอย่างแล้วใจเราก็จะไม่มีความทุกข์ติดต่อไปจะไม่เสียใจจะไม่มีความเสียใจก็ไม่ได้หวังอะไรจากใครเมีอุเบกขาแล้วพอ มีความสุขมีทรัพย์ภายในแล้วพอราบยศส้วเสริญสุขนี้ไม่ไม่สนใจได้ก็ถือว่าเป็นของแถมไปถ้าไม่ได้ก็ไม่ไม่เดือดร้อนอย่างหลงตาท่านได้ทองคำเป็นตันนั้นเห็นม่นเก็บไว้เล ย, เ, ยเก็บไว้หนักปอ่าอันก็ไปถวายมอบให้ทังหลวงไป ก่อนที่มีโอเบกขามีความสงบแล้วไม่หิวกับลาบยศสารเสริญแต่ต้องมีปัญญาคอยบอกว่าอย่าไปอย่าไปหลงกับลาบยศ ส, สรรเสิญเพราะมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องหมดไปถ้ามีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิก็จะหยุดความอยากได้ลาบยศ ส, สรเสิญสุดได้ แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ตอนนี้ถึงแม้จะรู้ว่าลาภยศสรรเสริญสุขเป็นทุกข์แต่ใจไม่มีสมาธิก็หยุดมันไม่ได้มันก็ยังอดอยากไม่ได้ทั้งที่ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดก็เอานะ่ะถึงแม้จะได้มาเพียงวันหนึ่งก็ยังเอาเลยใช่ไหมเวลาเกษียณก็ยังก็ยังมีเรื่อนชั้นให้ขั้นสุดท้ายก่อน <laughs> ขอเป็นชักวันก็ยังดีขอเป็นในพลชักวันก่อ น, กอนกเกษียณก็ยังดี เพราะเรายังไม่มีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วก็เฉยๆเขาให้ก็รับไว้เขาไม่ให้ก็ไม่ว่าเลยของนอกกายของนอกใจไม่ได้เป็นทรัพย์ที่แท้จริงของเราถ้าได้สมาธิแล้วได้ทรัพย์ที่แท้จริงมันก็อิ่มมันก็พอเยถึงเรามาฝึกสติให้เป็นมหาสติให้ได้ถ้ามีมหาสติแล้วนั่งสมาธิเมื่อไหร่สงบทันทีรับรองได้ เข้าสมาีิได้ทุกเวลาที่ต้องการกันต้องเอาไปปฏิบัตินะฟังแล้วก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วต้องเอาไปทำให้มันสมบูรณ์ต้องเอาไปปฏิบัติต้องสร้างสีขึ้นมาสร้างสติขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วก็จะได้มากผลนิพพานตามมา่อาไป แล้วไปนะคำน้อยนี่จะเจอท่านอาจารย์หรือเปล่าหรืไม่เนี่ยผมทอจะแบบเจอครับเพราะว่าท่านก็รอบอ๋อไปวันที่กอบรอบนะ<ำ>พอดีอก็เคยอยู่ที่บ้านตาบด้วยกันรู้จักกันแต่ไม่ค่อยได้สูงไม่ได้ค่อยสูงสิงสกันเพราะต่างคนต่างปฏิบัติหลวงตาท่านไม่ให้คุกกี้กันให้แยกกัน ตัวใครตัวมันให้อยู่ที่พักของตนปฏิบัติไปจะมาเจอกันก็นช่วงที่มาทำกิจวัตรร่วมกันมินส บ, บารขวาถถูส า, ารากะทักทายกันนิดหน่อยมอแกนนี่จะมาเดือนหน้าหรอครับอ๋อจะมาแล้วเหรอแอ่วัเดียวเพ้สร็จเว่นเดือนปีหนึ่งใช่ไหมเลนเล่นหนรือปีที่แล้วก็มาปีท้วมาพักเยอะปี่แล้วกลับ ในคนนี้แม่ก็าพามันตั้งแต่อยู่ในท้องพามาทำบุญตั้งแต่อยู่ในท้องมีอะไรไหมไม่มีเดี๋ยวจะลองให้ทางบ้านก็ถามบ้างถ้าจะฟังต่อก็ได้แล้วจะกลับก็ตามสบายนะไม่ได้มีข้อแม้อะไรนี่นี่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหรนะ่ อาจสองหกสิบหกเลยอันนี้มีขาประจำไหมสตีเฟนมอริสเข้าม า, าอย่างาอย่างชาลานก็ยังอทอนี่โรมิโอก็ยั ง, ยงมีสามสามคนขาประจำ ล, าาลูกชายเข้ามาเลย <c oughs> อ้าวแจ้มมาเลยแจ้ไม่นอนนะเนี่ยตีเท่าไหร่เนี่ย ดีสามแล้วมั้งนะหลับตาเป็นยังไงยังไม่นอนค่ะเนี่ยแลวเดี๋ยวไปไปซ้อนหนังสือไว้เลยเดี๋ยวตื่นไว้เลยเดี๋ยวไม่นอนแล้วไหวค่ะไหวะโอเคสาธุสาธุสรทธาแรงอือยู่แคนาดาตอนนี้เดี๋ยวนี้ติดต่อกันง่ายนะเห็นหน้าเห็นตากัน โอเคฟังเทศทังธรรไปนะเข้าไปในเฟซบุ๊กก็ได้เนี่ยค่ะดูอย uh, ู่นะโอเคพรีพี่สาวบอกว่า she wanted she wanted me to see you you know one face time so that I made it happen โอเคโอเคโอเคจะอ you tomorrow <c oughs> อลองถามมาดูนิอ่ามีคำถามอะไรลองถามมาดูคำถามสักผู้ฝักถามนะคะบทสวดปฏิสังขารโตตีวรังสิงหน า, นานชนังผู้รักสิ่งแต่ต้องสวดหรือไม่หรือเัพพะคะครับเออบทสวดปฏิอันนี้เป็นเรื่องการพิจารณาปัจจัยสี่ของนักบวชแต่ญาติโยมก็เอาไปใช้ได้คือสอนมาก่อนที่เราจะใช้ ปัจจัยสี่นี้ให้เราพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเราใช้ด้วยเหตุผลและอันใดเช่นเวลาเราจะใส่เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้ามีไว้ทําไมหน้าที่ของเสื้อผ้าที่แท้จริงก็คือใช้ปกปิดเอาไว้ว่าร่างกายป้องกันภัยจากความหนาวเย็นป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าแต่เรามักจะลืมหน้าที่หลัก เราไปคิดถึงหน้าที่ปลอมของเสื้อผ้าคือต้องใส่ให้มันสวยให้มันงามต้องมีมีชื่อของนักออกแบบเสื้อผ้าติดไปด้วยแล้วก็ต้องราคาแพงๆอันนี้เรียกว่าเป็นความหลงพระเจ้าต้องการให้เราแก้กความหลงให้เรารู้ว่าใส่เสื้อผ้าธรรมดานี่ก็ก็เหมือนกับใส่เสื้อผ้าราคาชุดละหมื่นมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกัน อย่าเสียเงินเสียทองไปเปล่าประโยชน์เลยเอาเงินทองที่จะใช้กับเสื้อผ้าไปทำบุญดีกว่าจะได้ทรัพย์จะได้ความสุขกว่ามากกว่าซื้อเสื้อผ้าชุดละแสนชุดละหมื่นมาใส่คือปฏิสังขายโยนิโสในปัจจัยสี่เวลาใส่เสื้อผ้าพิจารณาที่อยู่อาศัยก็พิจารณาว่าที่อยู่อาศัยก็มีไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่าง จะเป็นบ้านเช่ามันก็ทําหน้าที่ได้จะเป็นก้าราชารเดือนละสิบล้านมันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันเท่ากันเรื่องอะไรต้องไปเสียสิบล้านในเมื่อเราจ่ายค่าเช่าเดือนละสองพันสาพันเราก็อยู่ได้ปลอดภัยแล้วหรือถ้าเป็นทหารเขาจัดให้เราอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ไปบ้านพักทหารอยู่ตรงไห น, นก็ดีกว่าต้องไปเสียค่าเช่าถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่ถ้าเราปล่อยให้ ไปตามวัตถุนิยมไปตามความนิยมของสังคมเขาก็นิยมบ้านใหญ่ๆตัๆราคาหลายล้านพอเราไม่ได้บ้านอย่างนั้นเราก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมาลืมลืมลืมเป้าหมายของการมีบ้านไว้เพื่ออะไรมีบ้านไว้เพื่อหลบภัยหลบฝนฟ้าอากาศนั้นเองหลบแดดหลบฝนหลบภัยจากคนขโมยอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีที่ปลอดภัยแล้วก็โอเคแล้ว จะเช่าหรือจะซื้อตายไปมันก็เหมือนกันแหละตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีแล้วเวลานอนหลับเราไม่รู้หรอกว่าเรานอนหลับในบ้านเชาวหรือหลับหลับในข้ า, าราชการลเดือนละสิบล้านเนี่ยมันก็หลับเหมือนกันบางทีคนที่อยู่ในเดือนสิบล้านนอนไม่หลับเพราะว่าผ่อนไม่หาเงินมาเนี่ยคือปฏิสังขายโยนิสวว่าให้พิจารณาโดยแยบขาย ปัจจัยสีที่เราบริโภคกันอาหารก็เหมือนกันอาหารจะกินมื้อละห้าร้อยหรือมื้อละห้าพันมันก็ทําให้แค่ร่างกายหายหิวเท่านี้ทําให้ร่างกายอิ่มเวลาอุจจาระออกมามันก็ไม่มีราคาห้าร้อยหรือห้าพันแล้วทําไมต้องไปเสียงเงินเป็นเยอะๆทําไมเพื่อความสุขแค่ปลายลิ้นใช่ไหมพอได้แต่ลดอาหารที่ถูกใจเราที่ปลายลิ้นก็มีความสุขพอเข้าไปในท้องแล้วก็หายไปหมดแล้ว บางทีคนเราเสียเวลาหางเงินหาทองเพื่อมาเลียงความหลงกันโดยไม่โดยไม่รู้สึกตัวแทนที่จะ เ, เวลามาสร้างทรัพย์ภายในเลยไม่มีเวลามาสร้างทรัพย์ภายในคนที่หลงไหลกับการอยู่แบบรู้หลาเจะไม่มีเวลามามาทําบุญทําทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมไอ้แม่นายโยมเนี่ยกว่าจะมีเวลาสามวันไปวัดได้นี่มันต้องตั้งหลักไว้ทั้งกี่กี่เดือนเนี่ย ถ้าโยมไม่สนใจเรื่องราบยศสะระเสือเนี่ยมีเวลาไปอยู่วัานได้ทุกวันเลยใช่ไหมเราต sal ้องพิจารณาเรื sure> ่องการใช้ปัจจัยสี่แล้วเราจะได้ไม่ไม่ฟุ่มเฟือยเสียเสียเสียเงินเสียทองไปใช่เหตุเพราะว่าได้ประโยชน์เท่าเดเท่ากันกินมื้อละห้าพันกับกินมื้อละห้าร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันกินฟรีก็อิ่มเหมือนกันเนี่ยบินบาตมันก็อิ่มเหมือนกัน ให้พิจารณาเหตุผลของการใช้ปัจจัยสี่กินอาหารเพื่อดับความหิวใส่เสื้อผ้าเพื่อป้องกัน ร, ร่างกายแล้วก็สร้างบ้านพักเพืเป็นที่หลบภัยของร่างกายยารักษาโรค ก, ก็รักษาโรคภยายแค่เจ็ดสาสิบาทรักษาทุกโรค ก, ก็รักษาได้เหมือนกันถ้าตายก็ตายได้เหมือนกัน30บาทกับสามแสนมันก็รักษาได้เหมือนกันเวลาตายก็ตายได้เหมือนกัน โรงพยาบาลเอกชนที่เก็บเงินคนเป็นแสนก็มีคนตายไหมมีเหมือนกันรักษาสามสิบบาทตามโรงพยาบาลรัฐมันก็ตายเหมือนกันหายเหมือนกันพอเรามันถึงเวลาจะตายมันก็ตายต่อให้มียารักษาดีขนาดไหนเห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินท่านถึงเวลาท่านก็ต้องตายจะมีโรงพยาบาลดีขนาดไหนหมอที่หมอจะวิเศษขนาดไหนยาจะวิเศษขนาดไหนมันก็รักษาไม่ได้ กาเราเมื่อเป็นถึงข่าวแล้วมันก็ต้องตายด้วยกันดนะังนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องปัจจัยสี่<ม>แบบหรูหราแบบฟุ่มเฟือยไปเลยเพราะเราจะไม่มีเวลามาสร้างกุศลสร้างบุญสร้างทรัพย์ภายในไม่มีเวลาที่จะมาตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดกันว่ามัวแต่หาเรื่องหาเงินหาทองมาเพื่อซื้อปัจจัยสี่นี่ทั้งนั้นนะ นี่ก็คือเรื่องเรื่องของปฏิสังขาโยนิโสใช้ได้ทั้งพระใช้ได้ทั้งคารวะปกติท่านจะสอนพร ะ, พระว่าคารวะนี้คงจะสอนยากก็เลไม่สอน่า <c oughs> นต่อคคำถามต่อไปคำถามจากทางอินบ็อกนะคะจากคุณพร้อมพลวิธีการฆ่าความโกรธทำอย่างไรครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้สติก็ได้ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไป อย่าไปอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธพยายามดึงใจออกจากเหตุการณ์นั้นด้วยการเราเลึอกอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธแต่มันก็จะระงับชั่วคราวเดี๋ยวเรากลับไปคิดอกีกก็โกรธขึ้นมาได้งั้นวิธีที่สองก็คือต้องใหยอภยัภยแผเมตตา คิดว่าเราคงไปพูดไปทำอะไรไม่ดีมาก่อนเขาถึงมาทำเราทาให้เราโกรธขึ้นมาก็คิดว่าเป็นการใช้นี่ไปแต่อย่าไปตอบโต้ว่าตอบโต้ยิ่งจะทาให้เป็นเรื่องยาวไปใหญ่ทำให้ความโกรธขยายความมากขึ้นถ้าให้อภัยไม่ได้ก็ให้พุทโธไปก่อนแล้วถ้าอยากจะป้องกันความโกรธคราวหน้าก็ให้ค้นสาเหตุว่าโกรธจากความโกรธจากอะไร ความโกรธก็เกิดจากความอยากที่เมื่อกี้ได้บอกไว้พออยากได้สิ่งนี้พอเขาไม่ให้เราเราก็โกรธเขาใช่ไหมหรือเวลาขอแม่ไปไหนแล้วหนูไม่ไปนี่หนูโกรธนม่ไหมโกรธนะใช่ไหมเออแต่ถ้าหนูไม่อยากไปหนูจะโกรธไหมไม่โกรธนะอยู่บ้านเฉยๆได้สบายถ้าเราไม่อยากจะมีความโกรธเราพยายามหยุดความอยาก แล้วก็จะไม่โกรธแต่ถ้าโกรธแล้ว ก, ก็ใช้พุทโธไปหรือใช้ให้การให้อภัยไปหรือคิดว่าเป็นเรื่องการใช้เวรใช้กรรมไปเราคงไปทำให้เขาโกรธมาก่อนเขาก็เลยมาทำให้เราโกรธบ้างก็ทำได้แค่นี้แหละอย่างใดอย่างหนึ่งคำถามจระทางงเ c e b o o k l ล v e จากคุณจูนถ้าถือเนสัตชิกหนึ่งคืน คือปฏิบัติถึงฟ้าสว่างในอริยกิริยาบทการปฏิบัติยืนเดินนั่งเท่านั้นใช่ไหมคะและถ้าถือสองถึงสามคืนติดกันหมายถึงว่าเช้ากลางวันเรานอนทักไม่กี่ชั่วโมงได้ไหมคะแต่ต้องห้ามนอนหลังติดพื้นหรือเปล่าคะไม่หรอกถ้าเป็นวันมันก็ต้องต่อเนื่องกันไปเลยถ้าถ้าเป็นแค่ช่วงกลางคืนนี้ก็สแสดงว่ามันก็เนรศิกไม่กี่ชั่วโมงเช่นตั้งแต่ สองยามถึงสว่างไม่นอนอย่างนี้ก็แค่ถือหกชั่วโมงแต่ถ้าจะถือเป็นวันเป็นคืนมันก็ต้องต่อเนื่องไปยี่บสี่ชั่วโมงเนสามวันสามคืน น, นี้สัตชิกก็จะอยู่ในเอเรียบทสามถ้ามันจะหลับกใกล้มาหลับแบบนี้แบบนเรียบหลับจริงๆ <c oughs> แสดงว่าเป็นเนสตัตว์ที่กินไหนมาไปเข้าใจยังคําถามตะคุณปอนขณะผมนั่งภาวนาเกิดทุกขเวทนาที่เกิดหวั่นไหวขอทีนแอสแนวท า, างการปฏิบัติด้วยครับก็เหมือนกับความโกรธนะ่ะทก็เวทนาก็เป็นเหมือนความโกรธก็ใช้พุทธโธได้ใช้คําบริกรรมเวลาโกรธเวลาเจ็บก็อย่าไปสนใจกับความเจ็บ ให้อยู่กับคำบริกรรมไปสวดมนต์ไปก็ได้ขอให้ใจเราอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วความเจ็บจะไม่ทรมานที่ทรมานเข้าใจเราอยากให้มันหายแต่พอเราสวดมนต์พอเราบริกรรมเราก็จะไม่สามารถสร้างความอยากให้มันหายได้มันก็เลยไม่ทรมานความเจ็บไม่หายแต่ความทรมานใจหายไปแล้วทำให้เราอยู่กับความเจ็บได้คาถามทางยูทูบจากาคุณณพลค่ะ ภาษาพูดกับภาษาใจแตกต่างกันอย่างไรครับภาษาใจก็ภาษาคิดไงความคิดต่างๆ น, นี่เราก็คิดไ ด, ด้เวลาคิดนี้ก็คิดคิดก่อนแล้วคถึงพูดออกมาภาษาใจก็คือความคิดคำถามจากคุณนันนะะรัตค่ะไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนแต่อยากหัดนั่งสมาธิที่บ้านควรเริ่มต้น อ, อย่างไรดีครับ ควรฝึกให้มีสติเดินยืนนั่งนอนก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อนหัดให้มีพุทโธกำกับใจไปก่อนแล้วพอมีพุทโธเวลานั่งก็ให้ใช้พุทโธกำกับใจอย่านั่งเฉยเฉยถ้านั่งเฉยเฉยแล้วเดี๋ยวใจมันจะสร้างภาพหลอนภาพหลอกเราได้แล้วเราถ้าเราไม่ฉลาดเราก็อาจจะคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาได้บางคนนั่งแบบไม่รู้เรื่องก็จะกลายเป็นคนบ้าคนเสียสติได้ เวลาจะนั่งจะต้องมีผู้ต้องมีสติคอยกำกับใจแล้วต้องให้รู้ว่าเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปหลงให้รู้ว่าเป็นเป็นปรากฏการธรรมดาอย่างอย่างหนึ่งเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินตอนนี้มันก็เป็นแค่เสียงนั่นเองอย่าไปว่าเป็นเสียงเทวดาเสียงอินเสียงพรมอะไรไปภาพก็เหมือนกันก็นกให้รู้ว่ามันเป็นภาพเฉยๆรู้ว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวพอเราเลิกนั่งสมาธิมันก็หายไป อย่าไปหลงว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่แล้วหรือเราไปหลงว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่ไปแล้วอันนี้ไม่ใช่เรานั่งเพื่อให้ใจเราสงบใจไม่ผลิตความทุกข์คาถามสตางคอินบ็อกซ์จากคุณพัชรโยงพิจารณาออกภางปัญญาจนกระจายออกไปเรื่อยๆพอนั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบเหมือนที่เคยนั่งได้ค่ะก็พอไปพิจารณาไนั่งสมาธิเราไม่พิจารณานั่งสมาธินี้เราต้อง ให้อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวจนกว่าจิตจะสงบสงบแล้วก็หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดพุโทโธได้แต่ไม่ให้ไม่ให้พิจารณาให้ให้สงบไปนานๆจนกว่าจิตจะถอนออกมาจิตเริ่มพิจิตเริ่มคิดแล้วถึงค่อมาพิจารณาได้แต่อตอนนั่งนี้เราต้องการนั่งให้จิตสงบเวลาจิตสงบอย่าไปปลุกอย่าเหมือนคนนอนหลับอย่าไปปลุกให้เ้านอนให้พอ พอเขานอนพอแล้วเดี๋ยวเขาตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้เขาไปทำงานต่อได้อ้าเขานอนปุ๊บนอนหลับปุ๊บก็ไปปลูกให้เขาตื่นขึ้นมาทำงานเขาก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงเขาก็ไม่มีอารมณ์จิตก็เหมือนกันเราต้องรู้ว่าการทำสมาธินี่เพื่อพักจิตไม่ใช่เพื่อมาพิจารณาปัญญาถ้าเรามองพิจารณาปัญญาในตอนนั่งสมาธิมันก็ไม่สงบเลยนั่งบปยวันตายมันก็ไม่มีวันสงบ เพราะปัญญาไม่ได้ต้องการให้เกิดความสงบปัญญานี้ต้องการเกิดความรู้จริงเห็นจริงเพื่อที่จะได้ไปตัดกิเลสตัณหาขึ้นมาเวลามันเกิดขึ้นมาเพื่อดับความทุกข์ใจคำถามจากคุณโกบค่ะ ผลของการให้ทานที่แท้กระจัดจีนหาทําให้ร่ํารวยแต่ทําให้เราเป็นผู้กล้าที่สละสละออกทั้งบุญและบาปทั้งความดีและความชั่วจริงหรือไม่ครับการทําบุญก็ทําให้เรากล้าสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไอเรื่องบุญเรื่องบาปนั้นมันยังไม่ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกขั้นที่เราทําบุญก็แสดงว่าเรากล้ายอมเสียเงินก้อนนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ไป ถ้าเราไม่ได้ทำเราก็แสดงว่าเรายังหวงอยู่เรายังรักอยู่แล้วต่อไปเวลาที่เราต้องพัดท่าจยากมันเราจะทุกข์มากเพราะเราจะเสียดายแต่ถ้าเราหัดให้อยู่เรื่อยหัดเสียสละอยู่เรื่อ ย, เ, อยเวลาเราตายเราจะตายอย่างสงบตายแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องเสียดายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ต้องถามจากคุณรักสวัส ทำสมาธิหลายปีอยากเรินปัญญาแต่พอทำแล้วรู้สึกทรมาร์ติสอัดใจเหมือนกำลังไม่พอแบบนี้เรียกว่าติดสมาถะหรือเปล่าคะต้องแก้ไขอย่างไรคะไม่รู้ว่าสมาธิได้หรือยังนั่งสมาธิมันไม่ได้แสดงว่าได้ผลใครๆก็นั่งได้นั่งแล้วฟุ้งก็ได้นั่งแล้วไม่สงบถ้านั่งแล้วสงบมันจะมีความสุขมากมจะมีกาลังมากฉันคิว่าสมาธิก็คงยังไม่ได้ ถ้าสมาธิยังไม่ได้ไปพิจารณาทางปัญญามันก็ไม่มีกำลังที่จะไปสู้กับกิเลสได้คำถามสกุลนันทนาทำไมคระพุทธเจ้าถึงให้ผู้หญิงบวชเป็นพิสุนีได้ยากต้องให้พระนางประชาบดีไปอ้อนวอนหลายรอบทำไมไม่ง่ายเหมือนบวชพิกสุและยังต้องมีคุรุธรรแตกประการอีกคะเพราะว่าใจของผู้หญิงไม่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่เหมือนผู้ชายก็เลยต้องมีข้อสอบ ทดสอบความเด็ดเดียวแน่นอนว่าจะเอาจริงหรือไม่ท่านได้ถือศีลแปดหรือศีลสิบไปสองปีไม่ให้ขาดเลยถ้ารักษามาเกือบจะครบสองปีขาดก็ให้เริ่มนับหนึ่งใหม่จะได้ฝึกดูว่านิสัยเอาจริงเอาจังหรือเปล่าจะรักษาศีลได้อย่างจริงจังหรือเปล่าเพราะใจของผู้หญิงนี่ไม่เหมือนใจของผู้ชายผู้ชายนี่ค่อนข้างจะเป็นพวกเด็ดเดียว กระเทียมเลี้ยบตัวเดียวอยู่ได้แต่ผู้หญิงนี้มักจะชอบอาศัยคนอื่นพึ่งคนอื่นก็เลยต้องมาฝึกดูนิสัยว่าจะอยู่แบบผู้ชายได้หรือเปล่าอยู่แบบทารห่หดอดทนแบบไม่ต้องพึ่งใครได้หรือเปล่าก็เลยต้องสร้างเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาเพื่อทดสอบดูกําลังของผู้หญิงว่ามีกําลังพอไหมถ้าผู้หญิงมีกําลังเขาก็ไม่เดือดร้อนทดสอบก็สอบไปเนี่ยมื่อสอบเขาเขาก็สอบผ่าน เขาก็เป็นได้พวกที่เขามีกําลังเขาก็เขาก็บวชเป็นภิกษุณีบรรลุเป็นพระนั้นก็มีเยอะแยะแต่พวกที่มันไม่มีกําลังแล้วเห็นเขาเห็นเขาบวชแล้วเท่ก็อยากจะบวชตามเขาเนี่ยพวกนี้เขาต้องการกําจัดเหมือนเวลาที่เราจะเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆนี่เขาก็ต้องเลือกคนใช่ไหมไม่ใช่เขาเปิดใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามาเขาก็ต้องมีการสอบสอบเอ็นทันสอบอะไรกันก่อน ก็จะได้คัดเลือกเอาคนที่เป็นหัวกะทิจริงๆพระพุทธเจ้าก็ต้องการคัดเลือกผู้หญิงที่เป็นหัวกะทิจริงๆพวกที่เป็นหางกะทิท่านไม่เอาเอธิบายไหมคถามจักคุณอุบลรักมีคนแก่คนเท้าปากถามว่าเวลาพาระมาบิณฑบาตตั้งแต่ปีห้ายังไม่เห็นลายมือเวลาตักบาตรจะได้บุญไหมคะอ๋อโยมได้บุญเนี่ยแต่พระไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทาตามพระวินัย พระทำทำตามความโลภอยากได้อาหารวัยวัยขิวข้าวแล้วยังไม่ทันสว่างก็ขิวแล้วอยากจะกินละวแสดงว่าบวชแบบไม่มีขันติมไม่มีความอดทนเลยคถํถามจากคุณพานผมอ่านข้อความหนึ่งว่าถ้าผู้ใดลงมือเขียนพระไตรปิฎกกับมือด้วยอนิสงส์จะทําให้เกิดเป็นพระเจ้าักภัทรนึ่งกับ จากนั้นก็เป็นเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน500ชาติและเป็นเทวนาต่อไปและเป็นมนุษย์คือยังไงครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฟังแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเขียนวระทิพไปไระตพร ะ, พระตายปีดกได้มือมันก็จะได้ลายมือสวยเท่นั้นฮนะจะไปเป็นพระมหาจาักราพรรดิได้ยังไตงตกำหัาตสคุณตะตาย ทำสมาธิเป็นประจำทุกๆวันวันละสามสิบนาทีประกอบกับเจริญสตริระหว่างวันมีโอกาสที่จิตจะเข้าสู่อุเบกขาหรือไม่คะก็าทาดูสิต้องพิสูจน์สันติโกคนบางคนนี่นมันไม่ได้อยู่ที่เวลาบางคนนั่งสมาธิห้านาทีก็เข้าอุเบกขาได้บางคนนั่งเป็นปีก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีอะไรตายตัวต้องแต่ละคนต้องพิสูจน์ด้วยตนเองจะดีกว่า ไม่มีมาตรฐานตายตัวคำถามจะคุณในนาบุคคนใดที่มีมหาสติแล้วมีศีลมีสมาธิสติปัญญาแล้วศีลก็ตีกลับรักษาตัวเองแล้วจะทำอย่างไรต่อไปคะก็ไปฆ่ากิเลสซิฆ่าความโลภความโกรธความหลงเพราะพวกนี้เป็นเหมือนอาวุธ่ยศีล ส, สมาธิปัญญานี้เป็นเหมือนอาวุธก่อนที่เราจะไปทาสงครามเราก็ต้องเตรียมอาวุธไว้ก่อน เรามีอาวุธพร้อมเราก็ลุยเลยเราก็จะได้ชนะสงครามได้แต่ถ้าเราไม่ไม่มีไม่มีอาวุธแล้วเราเข้าสงครามเราก็แพ้ถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็สู้กิเลสตัณหาไม่ได้คําถามสากคุณกัญยพรมีผู้ฝักถามว่าเขาร่วมเป็นบุญเขาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพโรงทานไข่เจียวหอยนางรม ทีนี้หอยนางรมนั้นเจ้าของโรงทานเขาฆ่าเองอเราเอาเงินไปร่วมบุญกับเขาจะเป็นบาปไหมคะอ๋อไม่บาปแล้วบาปอยู่ที่คนฆ่าหอยนางรมถ้าเราไม่ได้ฆ่าก็ไม่เป็นบาปคำถามจากคุณณพลตอนนี้ความรู้สึกในใจผมคิดว่าเรายังไม่ลงมือปฏิบัติเหมือนมีงานแล้วไม่ทำตามหน้าที่การที่ถามคำถามรู้สึกขัดใจตนเองเหมือนว่าถามได้คาตอบแล้วแค่รู้เฉย แต่รสชาติคือความรู้สึกที่เข้าถึงใจไม่มีเลยจึงทำให้รู้สึกว่าต้องถามต้องการถามเพื่อจึงได้รู้คำตอบเฉยๆหรือแค่ว่าอยากรู้คำตอบไปพูดหรือไปพูดและแก้ข้อโต้แย้งคนอื่นเท่านั้นหรือผมรู้สึกกับใจว่าไม่เกิดประโยชน์แท้จริงและสูงสุดเลยจะแก้ไขความคิดนี้เช่นไรครับที่เราเรียนกันนี้เพื่อเรียนให้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อรู้แ ล, แล้วเราก็ต้องนำไปไ ป, ปฏิบัติ เท่า น, นั้นเองไม่ได้เรียนไว้เพื่อที่จะมาอวดความรู้ว่าฉันรู้พระไตรปิฎกนะเพราะพระพเจ้าบอกใบาลานเปล่าใบาลานเปล่านี่ยพระโพธิรัตเนี่ยท่านรู้คําสอนพระเจ้าทั้งหมดเลยท่องไว้หมดเลยจําได้หมดเลยแต่เวลาพระเจ้าเจอทีไรพระเจ้าบอกเธอมันเป็นใบาลานเปล่าเพราะท่านยังไม่เคยเห็นท่านออกไปปฏิบัติเนี่ยเจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็เลยเอใจขึ้นมาทําไมพระเจ้าไม่ชมเราเลยวะ อุษาท่องเพราะไตเปีดยดอกได้หมดเนี่กลับไม่มายกย่องสรรเสริญว่าเก่งนี่นั่นเก่งนี้กลับไปว่าเป็นใบร า, านเปล่าอ๋อท่านก็อ๋อท่านต้องการให้เราไปปฏิบัติเพราะปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทําให้เราเก่งจริงอนที่สุดท่านก็เลยตัดสินใจไปปฏิบัติไปอยู่ศัพท์สํานักที่มีพระอรหันต์เป็นอาจารย์พระลานแล้วก็มอบให้สามเณรเป็นเป็นอาจารย์เพื่อทดสอบดูว่าถือตัวป่ะมีความรู้สูง ให้สัมมาเนรสอนได้ไหมแต่สั ม, มนเนรนี้เขาบรรลุแล้วเขาเป็นพระอรหันต์แล้วเขาเดียนจบแล้วท่านก็ยอมเป็นลูกศิษย์ของสัมมนเนรสัมมนเนรใช้ใทําอะไรก็ทําใน้ล้างกระโถนให้กวาดทูกุติก็ทําสั่งให้ลุยลงไปในน้ําหยิบข้าวหยิบ ข, บของก็ลงไปพอลงไปเปียกก็เปลี่ยนใจไม่เอาก็ไม่โกรธแสดงว่าอยอมเชื่อฟังอาจารย์สัมมนเนรก็เลยสอน ตอนแป๊บเดียวก็บรรลุแล้วเพราะท่านมีพื้นฐานอยู่แล้วคำถามตะคุณเกรียงไกรอยากให้ท่านอธิบายเรื่องการทรงฌานว่ามีสภาวะอย่างไรและจำเป็นมากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมในชั้นกลางถึงชั้นสูง ข, ขึ้นไปครับก็ฌานก็คือความสงบเราต้องการให้ใจสงบนานๆเพราะความสงบนี้มันเป็นพลังเป็นความสุขของเรา เวลาใจเรามีความสุขสงบนี้เราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยเราต้องทรงให้มันนานๆให้ได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าเราได้อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเราก็สามารถที่จะเอาปัญญามาสู้กับกิเลสได้ต้องมีมหาสติมหาปัญญารักษาใจให้สงบได้ทั้งวันทั้งคื น, นคําาถุณผูธิต ถ้านั่งสมาธิได้สักัๆใจเริ่มนิ่งเย็นสบายควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็ให้มันนิ่งสบายไปทั้งวนันทั้งคืนเนี่ยทําทําให้มันนิ่งสบายได้ทั้งวนันทั้งคืนก่อนแล้วค่อยออกทางปัญญาต่อไปคําถามสคุณวิชาวีปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นการฝึกสติให้เป็นมหาสติครก็ต้องมีอะไรคอยถูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใช้พุทโธผูกใจก็บริกรรมพุทโธพุทโธไป ตลอดเวลาไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมหรือไม่เช่นั้นก็ให้เฝ้าดูการกระทําของร่างกายในเ a ร e a บทต่างๆไม่ให้ใจไปที่อื่นร่างกายกําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียวต่อไปสติก็จะเป็นมาหาสติขึ้นมามีสติอย่างต่อเนื่องเราจะสามารถนั่งสมาธิให้สงบได้อย่างรวดเร็วนละสงบได้นานจะไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่ น, นใช่ไหมอ่า ถ้าเผลอก็ดึงมาปั๊บเลยไม่เผลอนานเผลอแคว่วินาทีเดียวออาไปแล้วเหรือไปก็ดึงกลับเลยคำถามตะคุญยาการเข้าพิธีสระเคราหูกช่วยเรื่องใดคะช่วยเรื่องความหลงให้มันหลงมากขึ้นเลย <laughs> คำถามตะคุณณพลศีล<อ>ของภิกษุณีถ้าพระสงฆ์นำมาปฏิบัติเพิ่มให้เข้าภิกษุณีจะเป็นอย่างไรครับมันเป็นเรื่องของผู้หญิงอ่ะบางข้อมันไม่เกี่ยวกับผู้ชายไง มันก็ใช้กันไม่ได้ผู้หญิงก็มีเรื่องปัญหาทางทางสรีระร่างกายที่ไม่เหมือนกับผู้ชายเนื้อสีบางข้อมันสีเฉพาะของผู้หญิงแล้วไม่อ่านดูสิเนี่ยไปอ่านดูแล้วเราเป็นผู้ชายเราไปใช้ได้หรือเปล่าี้คําถามจากคุณวิพาพรเวลานั่งสมาธิมีอาการตัวโยกเหมือนจะล้มพอสักครู่รู้รสึกจะรู้สึกตัวเบาเหมือนไม่มีร่างกายคืออะไรคะ ถ้าตัวโยก็แสดงว่าไม่มีสตินเไปนั่งสมาธิถ้ามีสติร่างกายมันจะไม่โยกร่างกายมันจะนิ่งคําถามสกุลจีนนํานาการถวายน้ําหน้าพระพุทธรูปทําได้หรือไม่ผิดถูกอย่างไรคะทําได้แต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพระพุทธรูปก็ไม่ได้ดื่มน้ําก็ยังมีเท่าเดิมอยู่คําถามจากคุณสบายใจดีค่ะเมื่อวานนั่งสมาธิ นั่งดูลมหายใจแล้วจิตมุ่ลงไปแล้วสงบนิ่งใจสบายพอเริ่มถอนออกมารู้สึกถึงความร้อนภายในกายและมีลมไหลเวียนตามแขนขาคือจิตพิจารณาไปเองว่ากายเป็นธาตุแบบนี้ใช่ทางที่ถูกหรือเปล่าคะก็พิจารณาเพื่อให้ใจเราไม่ไปเดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกายถ้าเดือดร้อนก็แสดงว่าหลงถ้าพิจารณาว่ามันไม่ได้ตัวเราของเรามันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมัน เราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันก็เป็นปัญญาคำถามหมดค่ะมีผู้บอกว่าได้ยินเสียงและเห็นหน้าพระอาจารย์แล้วอุ่นใจทุกครั้งเวลาเดินทางไกลมันเกี่ยวอะไรกันด้วยเป็นมงคลนคะคะคั้งนี้มีใครอยากจะถามยังไงไม่มีก็นั่งเฉยๆจะกลับได้ก็กลับเนอะคงไม่มีอะไร มากมายวันนี้แต่ก็นั่งไปสักพักก่อนเดี๋ยวคนที่อยู่ทางบ้านก็คงจะพิมพ์คําถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆคําถามสกุลพัชราจิตเข้าพวังคืออะไรคะก็พวังมีสองอย่างพวังหลับกับพวังสมาธิพวังหลับก็อย่างที่เราหลับกันเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ถ้าพันธวังสมาธิเราจะรู้ว่าจิตสงบจิตไม่คิดปรุงแต่งจิตมีความสุขอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพวังสมาธิ มแล้วอ่ารอเดียวพักก่อนมีอะไรไหมมีอะไรอยากจะเล่าก็ได้นะแบ่งประสบะการณ์เรื่องความประทับใจในพระพุทธศาสนาว่ามีประโยชน์อะไรกับเราบ้างเมื่วานนี้ก็มีญาติโยมคนหนึ่งเขาก็บอกว่าโอเ้เขาประทับใจหลังจากที่ได้สัมผัสกับธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วทำให้เขา ปลดเพิ่มความทุกข์ที่มีในใจของเขาไปได้มากเลยอาวะถ้าไม่มีพระพุทธไม่มีธรรมะนี่เขาคงจะเป็นบ้าไปแล้วก็ได้ยัง ไ, ไงมีความประทับใจไหยประทับใจหรอว่ถ้าไม่มีธรรมะก็คุจะเป็นว่าเหมือนกันเลยเป็นโรคจิตนะอะ มอหมอโรคจิตเขาก็เพียงแต่ให้เรากินยาตั้งรับความฟุกข์่านแล้วก็พูดแบบธรรมะเนี่ยก็บอกต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตของคนเราก็อย่างนี้แหละมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียเสียไปก็ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเสียหลักแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินต่อไปใหม่เดี๋ยวมันก็ได้แต่ทางโลกทางโลกเขาจะสอนอย่งนีน้ว่าให้ไปหาใหม่ แต่ทางทรรมบออย่าไปหาเลยหากี่ครั้งเดี๋ยวมันก็เจอปัญหาแบบเดียวกัน <_ S 1> หาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียอยู่ดีสู้อย่าไปหาดีกว่าสู้หันอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าแล้วจะไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเสียใจต่อไปถ้ามีแล้วมันก็ต้องเสียถ้าไม่มีแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเสีย <_ S 1> คำถามจากคุณอ๋ออาการของจิตรวมเป็นอย่างไรคะอันนี้มันกากินข้าวอิ่มเป็นยังไงต้องกินดูนะ อินข้าวอิ่มแล้วก็จะรู้เองอธิบายไงมันก็ไม่เหมือนของจริงอะ่ะกคำว่าอิ่มอาศัยว่าเราทุกคนเคยกินข้าวอิ่มมันก็เลยพูดกันรู้เรื่องแต่พวกเราไม่ได้นั่งสมาธิกันทุกคนมันก็เลยพูดยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีงั้นก็ขอให้ไปนั่งเถอะพอมันอิ่มพอมันเข้าไปแล้วมันจะร้องอ๋อขึ้นมาอ๋อเป็นอย่างงี้อ๋อเป็นอย่างงี้ยังไม่อ๋อเลย่ะังไม่เทาไม่ถึงนลย คุณปริยาเวลานอนหลับชอบฝันแสดงว่าเราไม่มีสติเลยหรือเป็นบ้าคะอ๋อเขาไม่เป็นบ้าหร้วก็ของพ่อเราคงจะชอบคิดอี่ยเหมือนเวลาหลับมันก็ยังคิดต่อคาถามสกุณนะนักพเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับหลวงตาท่านเขียนว่าหลูกตาทำสมาธิไม่ได้เป็นปีอันนี้เป็นสภาวะเช่นนั้นได้เกิดได้แก่ทุกปฏิบัติมานานได้ด้วยหรือครับ ก็ถ้าไม่ทําต่อก็สามารถที่จะเสื่อมได้สมาธินี้เกิดจากสติถ้าวันไหนเราปล่อยไม่ไม่ควบคุมใจปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจ้อไปมันก็จะควบคุมมันไม่ได้เวลาจะเข้าสมาธิมันก็ไม่ยอมเข้างั้นเราต้องไม่ประมาทต้องพยายามรักษาสติไว้พระเจ้าบอกทําใดที่เราสร้างไว้แล้วต้องรักษาไว้อย่าให้มันเสื่อมเพียรรักษา ทำที่เราได้มีแล้วอย่าให้มันเสื่อมไปแล้วก็เพียนเพียนสร้างธรรมที่เรายังไม่มีให้ปรากฏขึ้นมาค่องาานตะคุณนะพัน ก, นก ร, ร, รการเริ่มนั่งสมาธินั่งยังไงให้เห็นผลครับก็เนี่นั่งด้วยสติไงต้องนั่งด้วยพุทโธแล้วนั่งด้วยการดูลมหายใจเข้าออกอย่านั่งเฉยๆแล้วคิดปรุงแต่งไปแล้วก็เห็นอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจ นังแบบนั้นก็จะไม่ได้เป็นผลที่แท้จริงเป็นผลหลอกผลปลอมและอาจจะทําให้เราหลงไหลหรือเป็นบ้าไปได้กับผลที่เกิดให้เราเห็นคํถาถามจากคุณอ๋อเวลานั่งสมาธิแล้วสงบลึกเวลาจะออกมามีขั้นตอนออกอย่างไรคะก็ปล่อยมันออกไปเองไนั่งไปจนกระทั่งจิตมันถอนออกมามันเริ่มคิดปรุงแต่งมันอยากจะไปหากาแฟกินนะมันก็แสดงมันออกมาแล้ะ คำถามจะคุณก้อยไปปฏิบัติธรรมถือศีลแปดกลับมาต้องรักษาโรคกระเพาะตลอดเจ้าค่ะขอถือศินห้าได้ไหมคะก็แล้วแต่สถานที่เราไปปฏิบัติว่าเขาจะให้เรารักษาศีลห้าได้หรือปเปล่าการปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องศีลแปดกันคำถามจะคุณสาวิตรีหนูไปที่บางวัดแล้วเจอพระดูทีวีบางวัดก็กินข้าวเย็น หนูเสียใจมากค่ะหนูควรทำใจอย่างไรคะก็เปลี่ยนคำว่าพาะว่าเป็นแพทก็แล้วกันคำถามจะคุณเทพทิดาเจ้านายฝากซื้อเหล้าเราซื้อมาจะบากไหมคะอ๋อไม่บาบแล้วเป็นเป็นเรื่องของคนดื่มคนดื่มมาบาบถ้าเขาฝากเราซื้อเราซื้อก็ได้แต่ถ้าปฏิเสธได้ก็ดีคาถาม คุณซันชายการเล่นหวยลอตเตอรี่ถือเป็นเรื่องผิดศีลหรือไม่ควรทำสำหรับชาวพุทธหรือเปล่าคะมันก็เป็นการพนันในรูปแบบแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความร่มรจยของชีวิตได้ถ้าเล่นแบบไม่มีขอบเขตเล่นแล้วติด เ, เล่นทีเยอะๆนี่ก็อาจจะเส้นเนื้อประดาตัวได้ แล้วพอขาดรายได้ก็อาจจะต้องไปทําบาปเพราะไม่มีอาชีพต้องไปรักทรัพย์ไปช่อโกงก็ถือว่าเป็นอาบาป ย, ยามุขที่ไม่ควรกระทำํำคำถามจากคุณโรชาค่ะถ้าต้องเลือกระหว่างทางโลกที่ได้เงินมากกับทางธรรมที่ยังไม่แน่ใจว่าไปจะไปรอดไหมควรพิจารณายังไงดีคะอก็ต้องตัดสินใจเอาเองสิใครจะมาตัดสินใจให้เราได้ รุธเจ้าท่านก็เลือกทางธรรมไปตายดาบหน้าดีกว่าว่าอยู่กับเงินทองเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีมันก็มันไม่มีทางมันไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านั้นได้เงินมาแล้วเดี๋ยวตายไปก็จบแต่ถ้าไปทางธรรมนี่ถึงแม้ว่าจะไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ก็อย่างน้อยถ้าไปแล้วมันก็ต้องได้เพียงแต่ว่ามันจะช้าหรือจะเร็วท่งนั้นเองคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เมื่อก่อนมีความสุขกับการทำทานมากแต่พอไปปฏิบัติมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นกว่าทำทานสุขนาและสุขมากกว่าแบบที่แบบนี้ที่พระอาจารย์ว่าน้ำหนักต่างกันหรือเปล่าคะตอนนี้ทำทานรู้สึกรู้สึกเฉยๆแต่ก็ยังทำค่ะก็นั่นแหละเหมือนกับเราเคยทำงานที่บริษัทนี้เขาให้เงินเดือนแค่นี้เราเดี๋ยวเราได้ไปงานใหม่ได้เงินเดือนมากกว่า งานที่เราทํากับบริษัทเก่าก็เลยไม่ค่อยดึงดูดใจเราเหมือนกับงานที่เราทํากับบริษัทใหม่เพออไราะรายได้มันต่างกันคําถามจะคุณวิภาวีผู้รู้กับสติเป็นสิ่งเดียวกันไหมคะไม่หรอกผู้รู้คือใจผู้รู้นี่รู้ตลอดเวลาแต่สตินี้เป็นผู้ดึงใจให้มารู้บางทีใจมันไม่รู้มันชอบเผลอไปคิดก็เลยต้องใช้สติเพื่อหยุดความคิดให เพืจะได้กลับมาอยู่กับผู้ผู้รู้จะได้อยู่กับผู้รู้คำถามคุณโกมัชินาปฏิปทาในทางจิตหมายถึงสติหรือเปล่าคะถามใหม่ดิมัชิมาปฏิปทาในทางจิตหมายถึงสติหรือเปล่าครับอ่า ม, มัชมมมมิมาก็มีมีศีลสมาธิปัญญาเนี่มันก็เรื่องของจิตทั้งนั้นแหละศีลก็เรื่องของจิต เพาะสินเป็นผู้สั่งให้ร่างกายคิดให้ผู้ให้ร่างกายพูดให้ร่างกายทํามันก็เรื่องของจิตเนี่ยสติก็เรื่องของจิตสมาธิก็เรื่องของจิตปัญญาก็เรื่องของจิตเป็นจิตทั้งนั้นแหล ะ, ค, ะคําขาดสกุลนันทนาวัดความก้าวหน้าการนั่งสมาธิจากอะไรคะนั่งได้นานสงบได้นานมีความสุขมากน้อยถ้ามีความสุขมากก็ได้ผลมากมีความสุขน้อยก็ได้ผลน้อย นั่งได้นานก็ก็ดีกว่านั่งไม่ได้นานนั่งได้บ่อยกับนั่งไม่ได้บ่อยนี่คือผลวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติคําถามจากคุณจันทร์รัตงานบวชถ้าเอาเนื้อวัวมาทํากับข้าวจะบาปไหมคะและระหว่างเนื้อวัวกับเนื้อหมูอะไรจะบาปกว่ากันคะอ๋อถ้ามันเป็นเนื้อที่เขาตะฆ่ามาแล้วเราไปซื้อมานี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต่างกันอ่า คือไม่บาปกินเนื้อที่ตายแล้วไม่บาปแต่ถ้าไปฆ่าเนื้อมาทําเพื่อมากินเนี่ยบาปคำ่ำท้ากจคุณพี่ที่วัดค่ะถ้าจะนั่งสมาธิโดยใช้ประคำจะกําหนดอย่างไรให้ได้ผลดีครับไม่ดีหรอกเพราะว่าถ้าใช้ประคำนี้มันร่างกายยังต้องเคลื่อนไหวใจก็ต้องคิดงั้นอย่าใช้ประคำดีกว่านั่งหลับตาแล้วถ้าอยากอยากจะนับก็นับไปก็ได้ พุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธสามแต่ถ้าให้ดีก็เอาเอาอย่างเดียวดีกว่าพุโทโธคําเดียวดีกว่าจิตมันจะได้นิ่งถ้ามันต้องคิดมันก็จะไม่นิ่งเพราะวนับหนึ่งสองสามนี่มันต้องคิดแล้วให้หนึ่งแล้วดีกว่าสองแล้วดีกว่าสามแล้วนีก ว, ว่าเย่งนอย่าคิดคิดให้น้อยที่สุดให้เพ่งดีกว่าเพ่งดูลมหรือเพ่งอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งได้ คำถามจากคู่ไม่ประสงค์ออกนามอยากกลับไปอยู่บ้านเกิดมากค่ะแต่ไปไม่ได้มีวิธีคิดอย่างไรนะให้ทุกข์คะก็ทุกข์ทุกข์เพราะความอยากไงเพราะก็อยากไปทุกข์ก็แล้วถ้าอยากอยากไปอยากมันก็ไม่ทุกข์เลยคำถามจากคุณสุภาณาราที่ให้หวยแจกโยมทุกมวดผิดวินัยไหมครับก็ไม่ใช่หน้าที่ของพระนะพระมีหน้าที่ให้ธรรมะไม่ได้ให้เลขให้หวย มีเีย ม, มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติแล้วก็บรรลุพอบรรลุแล้วก็เอาธรรมที่บรรลุไปไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้คําถามจากคุณพันกรการนั่งสมาธิเกิดเป็นบุญได้อย่างไรครับบุญก็คือความสงบเความสงบทําให้เกิดความสุขใจบุญแปลว่าความสุขใจการที่เราทําทานเราก็เกิดความสุขใจในระดับหนึ่ง รักษาศีลเราก็ได้ความสุขใจระดับหนึ่งนั่งสมาธิเราก็ได้ความสุขใจอีกระดับหนึ่งความสุขใจเหล่านี้เราเรียกว่าบุญคำถามจากคุณพรพิถ้าเรา ท, ท๊ะเครื่องที่แขวนคอตกพื้นและข้ามระเครื่องโดยไม่ตั้งใจพระเครื่องนั้นจะเสื่อมไหมคะมันไม่มันไม่มีฤทธิ์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วลมันจะไปเสื่อมได้ยังไงมันก็เป็นวัตถุ ชนหนึ่งเท่านั้นเองเราเพียงแต่ไปเชื่อว่ามันมีดิ์มีเดชแต่ไม่ไม่มีหรอกคำถามจะคุณมานาสวีการนั่งสมาธิแต่ละครั้งความสงบความนิ่งไม่เท่ากันบางครั้งสงบมากบางครั้งไม่สงบและรู้ว่าไม่สงบเลยพิจารณาว่าความสงบนี้เกิดเกิดดับๆถูกต้องไหม่ค้าและเพียงต่อไปไม่ควรพิจารณาเวลานั่งสมาธิก่อนให้มีสติอยู่กับ อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจยิ่งคิดก็ยิ่งฟุง้งอย่าไปคิดดีกว่ามันจะสงบไหมสงบอยู่ที่ว่าสติเราดีหรือไม่ดีบางวันสติเราก็ไม่ค่อยดีมันก็ไม่ค่อยสงบหรือบางวันมีเหตุการณ์ให้เราคิดมากมีเรื่องมากแล้วมันค้างๆ้างอยู่ในใจเราเวลาที่เรามานั่งมันก็เลยสงบยากบางวันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรค้างค้างอยู่ในใจ บางวันก็สติดีด้วยถ้ามันสองอย่างมีสองอย่างนี้มันก็สงบง่ายสงบได้เร็วดังนั้นมันก็มีปัจจัยสองส่วนส่วนหนึ่งก็เรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราในแต่ละวัน<ม>เรื่องที่สองก็เรื่องของสติของเราว่าต่อเนื่องแร้วไม่ต่อเนื่องถ้ามีเรื่องราวข้างค้างมากกว่ถ้าสติดีมันก็ชละได้ใช่ไหมได้แต่ก็ยากกว่ายากกว่าไม่มีเรื่องค้างค้างๆเลยอ คำถามสักคุณวิภาวีเมื่อมีเวทนาทางกายเกิดขึ้นเราสามารถทำสมาธิจน จ, นจิตรวมได้ไหมคะแล้วควรปฏิบัติอย่างไรในการที่จะไม่สนใจในเวทนานั้นก็ต้องอยู่คำริกรรมไปพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายเพราะยิ่งคิดมันยิ่งทรมานเพราะอยากจะให้มันหายแต่ถ้าเราไม่คิดมันก็จะไม่ทรมานใจแล้วก็จิตก็จะ เข้าสู่ความสงบได้ว่ามาสสเส้นต่อมาว่าแสสาุค่ะโอเคาจายคะอย่างถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจำเป็นที่จะต้องเจอเรื่องราวเยอะๆเนี่ยน้อยก็ถ้าน่งสมาธิไม่ได้ดีก็ให้มีสสีไว้ก่อนในชะีวิตประจำวันใช่ไหมคะคำถามสกุณโก การที่จิตว่างสภ า, สภาวะที่ว่างต้องว่างจากการปรุงแต่งของสัญญาและสังขารใช่ไหมครับอ่าน่าละสัญญาสังขารไม่คิดไม่ปรุงเรือแต่สักแต่ว่ารู้แต่ไม่มีอะไรให้รู้จิตนี่เหมือนจอทีวีเวลาเราเปิดเครื่องมันก็มีภาพอยู่บนจอแล้วเรามองไม่เห็นจอพอเราปิดเครื่องปับ๊บภาพก็หายไปจอเราก็จะเห็นจอ่างเห็นตัวจอ ใจของเราก็คือจอคือตัวรู้เนี่ยแต่ถ้าเราคิดมันก็มันก็จะไม่เห็นตัวรู้มันจะเห็นแต่ตัวคิดเห็นแต่เรื่องที่คิดอยู่แล้วเรื่องที่คิดก็จะทำให้เรามีอารมณ์ต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างแต่พอเรื่องเราหยุดคิดปั๊บเรื่องอารมณ์ต่างๆก็สงบไปหมดก็เหลือแต่ความว่าเหลือแต่เหลือแต่ตัวรู้ที่สงบที่เย็นที่สบาย คำถามจากคู่ไม่ประสงค์ออกนามชอบฝันเหมือนเป็นลางบอกเหตุก่อนทุกครั้งเป็นเพราะอะไรคะมันไม่ต้องรู้ว่าเป็นเพราะอะไรล่ะก็ให้รู้ก็แล้วกันว่ามันเป็นอย่างนั้นเอเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเหตุเพราะอะไรมันไม่จําเป็นจะต้องรู้อ่ะก็ให้รู้ว่าเราแม่นก็แล้วกันว่าเราแม่นหรือไม่แม่น เราฝันว่าคนี้จะมีคนมาเตีหัวเรานี่โดนตีหัวถ้าโดนนี่ก็แสดงว่าเราแม่นก็เตรียมตัวรับเคาะไปก็แล้วกันหรือถ้าหลบได้ก็หลบไปคําถามสกุลนพลเคยภาวนาจนเกินจนเกิดความรู้สึกเฉยเฉยแต่ในความรู้สึกเฉยเฉยมันแฝงด้วยความรู้สึกทุกข์ คล้ายสงบแต่มันยังไม่สงบใช่ไหมครับต้องแก้ไขอย่างไรก็ทาต่อไปพูดโทรต่อไปดูร่มต่อไปตอนนี้เขถามหมดหมดก็หมดละมีใครอยากจะถามยังไงอยากถามท่านอาจรย์ว่าอย่างสมมติว่าที่บ้านเนี่ยนะค ะ, ะมีการฉีดยากำจัดตัวทุกปีแตเดูผิดรยู่ทุกสองปีเนี่ย่ะโดยที่เราไม่ได้เห็นตัวอะรนะคะ <c oughs> มันเป็นระบบกำจัดของถ้าก็ฉีดกันก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาผู้ที่รับเขากรรก็คือคนฉีดหรือคนสั่งให้เขามาฉีดถ้าอยากจะให้เขามาฉีดโดยไม่สั่งก็ต้องใช้อุบายพูดถามเขาว่าบริษัตว์กจัดปลวกหรือทาอะไรที่บ้านมีปลวกถ้าเขาอาสามานี่เราก็ไม่ได้สั่งเขาละใช่ไหมอ่า ผู้ตามหลักกฎหมามันเป็นยังี้เราสั่งเมื่อวานเรไม่ได้สั่งเราถามเขมาแล้วเขาก็าอาสามาเองอที่บ้านที่บ้านมีตลวกไม่รู้จะทายังไงไม่เป็นไรครับผมจัดการนี่แล้วก็อาสาสมัครก็เขาก็ต้องรับเคอะไปเราต้องให้เงินเขาทั้งเงินก็เรื่องของเงินเป็นการตอบแทนน้าใจไม่เกี่ยวว่ายังไม่ได้สั่งอยู่ดี ก็ถึงเขาสั่งสั่งเขาทําก็ดีทําเองก็ดีถึงจะถึงจะบาปถ้าไม่ได้สั่งไม่ได้ทําเองก็ไม่บาปบางทีพ้าก็ต้องให้เยอะให้โยมมาทําให้พระตัดต้นไม้ไม่ได้แต่วันก่อนต้นไม้มันจะล้มลงมาก็บอกโยมเนี่ยต้นไม้มันจะล้มลงมาแล้วเขาบอกอ๋ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขจัดการให้เอง อ, อ่นนี้ก็ไม่ได้สั่งเขาละใช่ไหมเพียงแต่แจ้งความเช่านั้นเอง เราตำรวจว่าวหน้าที่ของต้องไปจับขโมยเขาไปจับให้เราก็ไปจ <laughs> แไปจ้งความที่บ้านนี้ปวกแจ้งผู้กำกจัดตัวเขาไม่ไปไล่เขาจัดการให้อบางก็ไม่เลยสั่งเราเพียงแต่ไปแจ้งเหตุไปบอกเหตุให้เ้าสร้างเหมือนไฟไหม้เนี่ยเราก็โทรศัพท์ไปแจ้งที่ดับเพลว่าตอนนี้ไฟไหม้เขาก็าาวิ่งมาเลยเราไม่ได้สั่งเ้าให้มาใช่ไหมแต่ว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเราอยาก ไม่เใช่ถ้าถ้าเขาไม่มาแล้วเราไม่ทุกข์แสดงว่าเราไม่ได้อยากถ้าเราทุกข์แล้วถึงแสดงว่าเราอยากถ้าเราบอกเขาแล้วเขาไม่มาเราก็เฉยเฉยไปก็จบไปอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่อยากคือถ้าสมมติว่าปลัวไม่ได้กำลังจะขึ้นบ้านนะก็ค่ะก็การไม่ก่อนไม่เป็นไรคือเฉีดลงไปในยีนโดยที่ไม่ได้เห็นตัวถ้ามันไม่มีตัวก็ไม่ถ้ามีตัวมันตายก็ถึงเห็นไม่เห็นมันก็มันก็ถือว่าฆ่ามันอยู่ดีอย่างนั้น่ ก็ปล่อยให้คนที่เขายังอยากจะฆ่าให้เขาฆ่าไปสิเขาเขาถือว่าเป็นอาชีพของเขาระดับจิตของคนมันมีหลายระดับเป็นมนุษย์ก็มีเป็นเดรัจฉานก็มี <Yeah. S 2> พวกเดรัจฉานนี้เขาต้องฆ่าผู้อื่นเพื่ออยู่เพื่อเอาตัวรอด <Yeah. S 2> เขาก็ยินดี <Yeah. S 2> แต่พวกที่เป็นมนุษย์เขาก็ไม่ยอมมาทำอาชีพอย่างนี้ <Yeah. S 2> ถ้าไม่มีใครทำอาชีพอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันกินบ้านไปก็แล้วกัน yeah. ที่พี่เขาทำก่อนนั้นเลี e ้ยงเป็ดนี้นะออเป็นผลจากการเ e ลี้ยงเป็ดแล้วขายเป็ดก็อ๋อมันไม่แน่หรอกบางทีมันเป็นของอดีตชาติก็ได้อาชาติก่อนเนี่ยจะท่ามาชีพค่าอะไรมาก็ได้่มันไม่มไม่มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นของชาตินี่โดยตรงเพราะบางทีมันก็มันก็ใช้เวลาเหมือนกันกว่าที่จะเกิดผลขึ้นมาแต่กรรมบางอย่างมันก็เกิดผลได้เร็ว อ โ, โดยโดยลมก็เคยให้เรามองว่าการทำบาปมันมันไม่ดีมันต้องมีโทษกับเกิดขึ้นกับเราก็ อ, อย่าไปทำบาปก็จะดีที่สุดถึงแม้มันอาจจะไม่เกิดชาตินี้ชาติหน้ามันอาจจะเกิดก็ได้มีข้อความฝากมาค่ะาะคุณทอยฝากพันระยะแก้วนำผ้าบางสุกูลถวายพระอาจารย์สองชิ้น เป็นผ้ามัสลินสําหรับดีวรและผ้าหนาสำหรับสะบงพระอาจารย์โปรดรับและแผกกุศลให้แก่หม่องหลวงเสริมศิษย์เนตรหม่องหลวงเสมอสุขคเนจรไร้ย่าวยด้วยค่ะได้รับแล้วได้รับแล้วเนี่ยแต่คุณจิตจีหม่งจิตจีคุณแม่เมื่อกี้เมื่อกี้ได้รับแล้วให้หันกล้องมาให้ดูหน่อยครูถวายคุณน่าจะได้รู้ มาถวายเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังฟังเทศฟังธรรมมาอยู่คุณแม่คงจะรู้มั้งคุณแม่คงติดตามอยู่อันี้บอกติดตามอยู่ทุกวันนี่มันก่อนก็ส่งข้อความมาว่าฝากเงินแก้วมาทําบุญก็ได้ดรับก็ตอบกลับไปหมดแล้วยังมีอีกสองข้อค่ะคําถามกับคุณเทพธิดาการที่เราอนุโมท น, นาสาธุกับคนอื่นเราจะได้บุญไหมคะ ก็ได้ได้ได้บุญที่เกิดจากอนุโมทนาความสุขใจที่เรายินดีไปกับการทำบุญของผู้อื่นแต่ไม่ได้บุญจากการที่เราเขาทำบุญนั้นคือบุญที่เกิดจากการให้เรายังไม่ได้ให้เราก็ไม่ได้บุญอนั้นเช่นเราเอาผ้าของคุณแม่มาถวายแล้วเราก็ยินดีไปกับคุณแม่ว่าเห็นคุณแม่ได้ทำบุญเราก็มีความสุขใจไปกับคุณแม่มันเป็นบุญคนละอย่างกันอนุโมทนาบุญกับบุญที่ได้จากการทาทานนี่เป็นคนละบุญกัน ข้อสุดท้ายแล้วค่ะคําถามสตาร์สําสรวยถ้าบอกให้เขาพาปลวกไปไว้ที่อื่นจะได้ไหมคะถ้าพาไปได้ก็ดีถ้าจับได้ก็ดีอย่างที่วัดเดยเวลาจับงูจับอะไรเนี่ยเราก็ไม่ฆ่ามันจับแล้วก็ไปไปเอาไปปล่อยในป่าไกลๆจากวัดทุกทีบางทีตุกกุงตุกแกนหนูเนี่ยที่วัดก็ต้องคอยจับมันเพราะมันคอยมากัดตุกแกนก็มันคอยอุจจาะแล้วก็คอยร้องตอนคืนมันก็รบกวน ก็จับมันใส่กระสอบแล้วก็เดินไปไกลๆ ไ, ไปหาป่าที่ไหนไกลๆจากวัดทักสองสามกิโลถ้าอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมันกลับมาเอาไปปล่อยไม่ไปฆ่ามัน <c oughs> เอาแล้วนะคิดว่าวันนี้ <c oughs> พอสมควรแก่วเวลา <c oughs> ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษพิจารณา <c oughs> ไปปฏิบัติ